รู้จิตรู้สภาพจิตพุทธพจน์ 1. เมื่อจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคาเมื่อจิตปราศจากราคาก็รู้ว่าจิตปราศจากราคา 2. เมื่อจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะเมื่อจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ 3. เมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ 4. จิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน 5. เมื่อจิตเป็นมหาคตะก็รู้ว่าจิตเป็นมหาคตะเมื่อจิตไม่เป็นมหาคตะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหาคตะ เมื่อจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าเมื่อจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า 7. เมื่อจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิ 8. เมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นเมื่อจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้น ลงมือปฏิบัติกายเป็นสิ่งที่รู้ตัวเองไม่ได้ต้องมีจิตทาหน้าที่รู้กายจึงปรากฏว่ามีอยู่เมื่อจิตเป็นผู้รู้อะไรอะไรทั้งปวงจิตจึงเป็นที่ตั้งสําคัญของความรู้สึกในตัวตนจิตนั้นนอกจากจะทำหน้าที่รู้สรรพสิ่งแล้วยังรู้สภาวะของตัวเองได้ด้วยว่ากำลังสว่าง กำลังมืดหรือกำลังขมุกขมัวอย่างไรเมื่อรู้ว่ากำลังสว่างหรือมืดย่อมรู้ต่อไปได้อีกว่าเมื่อใดปราศจากกิเลสก็จะสว่างเมื่อใดเจืออยู่ด้วยกิเลสก็จะมืดเราอาศัยสภาพของจิตที่แปรไปต่างๆนี้เองเป็นเครื่องฝึกสติรู้เห็นความไม่เที่ยงของจิต เพื่อถ่ายถอนอุปาทานสำคัญว่าจิตเป็นเรามีเราเป็นอมตะอยู่กับจิตโดยเริ่มฝึกดังนี้หนึ่งรู้ว่าจิตมีหรือไม่มีราคะราคะคือความกำหนัดความยินดีในกามความติดใจหรือความย้อมใจติดอยู่ในวัตถุกามธรรมดาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าจิตมีราคา เมื่อเกิดราคะย่อมถูกดึงดูดให้ติดไว้กับวัตถุกรรมโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นที่จะฝึกรู้สึกตัวว่าจิตมีราคะได้ก็ต้องทําไว้ในใจก่อนว่าจิตมีราคะเป็นอย่างไรและตกลงกับตัวเองไว้ล่วงหน้าว่าจะดูขณะเกิดราคะเปื้อนจิตทางมาของราคะมักเกิดจากการได้เห็นรูปลักษณ์ทางเพศอันต้องตาหรือยวนใจ การเห็นรูปแล้วรู้สึกถูกดึงดูดให้จดจ่อนั่นเองคือจิตมีราคะอีกทางมาหนึ่งคือผุดความคิดทางเพศขึ้นมาแล้วเรายินดีตรึกนึกต่อกระทั่งเกิดอาการกระโจนเข้าไปไหว้วนในห้วงจินตนาการทางกามอารมณ์อาการนั้นเช่นกันที่จิตมีราคะหากรู้สึกตัวในทันทีที่จิตมีราคะ ราคาจะถูกแทนที่ด้วยสติเราจะเห็นทันทีว่าราคะหายไปเช่นตาจะถอนจากอาการจดจ้องรูปภายนอกหรือใจจะถอยออกมาจากห่วงจินตนาการทางกามรมร์มกลับเข้ามารู้สึกถึงความว่างจากราคะขณะแห่งการรู้ความว่างจากราคะนั่นเองคือการรู้ว่าจิตปราศจากราคา แต่หากสติเกิดไม่ทันเพราะไม่ตั้งใจดักสังเกตไวล่วงหน้าราคะที่มีในจิตจะเหมือนห้วงน้ำที่ลามเปียกไปถึงกายและก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศที่เหนียวแน่นตรงนั้นเกินกว่าสติธรรมดาจะจับยัง้งแต่หากเป็นผู้เคยเจริญสติเห็นกายด้วยความเป็นของสกปรกมาก่อนหรือเป็นผู้มีสมาธิตั้งมัน่นก็เท่ากับมีเครื่องมือถอนจิตออกจากกามได้ไม่ยากหนัก 2. รู้ว่าจิตมีหรือไม่มีโทสะโทสะคือความขัดเคืองไม่ยินดีในสิ่งที่เข้ามากระทบกายใจอยากผลักไสให้พ้นตัวหรืออยากกระแทกให้แตกหรืออยากทำลายให้สูญสิ้นไปปกติเมื่อเกิดโทสะนั้นคนทั่วไปมักมีความยับยั้งชั่งใจอยู่ระดับหนึ่งคือไม่พูดจา หรือลงไม้ลงมือประสุดสรายใครทันทีความยับยั้งชั่งใจนั่นเองส่งผลให้เกิดสติรู้ตัวอย่างอ่อนๆคือรู้ว่าขณะนี้จิตมีโทสะอยู่แต่การรู้สึกตัวของคนธรรมดาว่ามีโทสะอยู่ในจิตนั้นเป็นไปด้วยอาการควบคุมตนเองไม่ให้หลุดคาพูดหรือการกระทาที่เกินเลยออกไปหาใช่ความรู้สึกตัวแบบนักเจริญสติไหม การรู้สึกตัวของนักเจริญสตินั้นประกอบพร้อมด้วยความเข้าใจขั้นพื้นฐานว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนนอกจากนั้นยังมีการฝึกสติเคยรู้กายและรู้ทุกมาก่อนกระทั่งเกิดสติติดตัวระดับหนึ่งแล้วฉะนั้นในวูบแรกของการเกิดโทสะจิตย่อมไม่ถล่มไปอยู่กับความร้อนของโทสะเต็มที่ความร้อนของโทสะ จะเกิดขึ้นเพียงแผ่วพอให้ระลึกได้ว่าขณะนี้จิตมีโทสะอ่อนอ่อนเมื่อเกิดสติเท่าทันว่าขณะนี้จิตมีโทสะโทสะย่อมปรากฏเป็นส่วนเกินเป็นของแปลกปลอมเป็นของอื่นเป็นของนอกจิตความรู้เท่าทันเช่นนั้นย่อมทำให้สติเกิดขึ้นและกลับมารู้อยู่กับความเย็นอันมาจากจิตที่ผ่องแผ้วจากโทสัค เห็นโทสะเป็นเพียงภาวะร้อนไม่ต่างจากไฟไม่ใช่ตัวใครไม่ใช่ตัวตนแต่หากไม่เกิดสติเท่าทันว่าจิตมีโทสะแม้นักเจริญสติก็พลาดพลั้งได้ปล่อยให้โทสะกำเริบลุกลามไปเป็นความร้อนทางกายและวาจาได้ซึ่งถึงจะเกิดสติขึ้นในช่วงนั้นก็คงไม่เห็นโทสะหายไปในทันทีแต่เป็นไปได้ที่จะรู้สึกว่าแรงอัด หรือความเผาผลาญของโทสะมีหนักบ้างเบาบ้างสลับกันหากเฝ้ารู้เฝ้าดูสักระยะหนึ่งจึงค่อยเห็นว่าโทสักระงับลงสรู้ว่าจิตมีหรือไม่มีโมหะโมหะคือภาวะที่ทำให้จิตไม่รู้ความจริงไม่ทราบว่าอะไรถูกอะไรผิดกล่าวโดยสรุปคือ โมหะเปรียบเหมือนม่านหมอกห่อหุ้มคลุมจิตให้ขาดสติขาดความสามารถในการรู้ตามจริงมีแต่พระอรหันต์ที่จิตไม่ถูกเคลือบคลุมด้วยโมหะได้อีกที่เหลือนอกจากนั้นล้วนยังมีโมหะด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งก็มีทั้งโมหะระดับหยาบเช่นเห็นกงจักเป็นดอกบัวนึกว่าทำชั่วเป็นเรื่องน่ายกย่องแล้วก็มีทั้งโมหะระดับละเอียดคือไม่รู้ว่ากายนี้เป็นทุกข์ ใจนี้เป็นทุกข์หาใช่ตัวตนอันหน้ายึดมั่นไหม่การจะรู้ว่าจิตมีโมหะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักเจริญสติเพราะเมื่อสติแข็งแรงพอย่อมไม่ถูกโมหะยับยบครอบงำโดยง่ายเมื่อจิตโปร่งแล้วรู้กายก็ย่อมเห็นเหมือนกายโปร่งใสดังนั้นขณะใดกายปรากฏเป็นของทึบก็จะทราบว่าต้นเหตุไม่ได้มาจากกายแต่เป็นเพราะจิต ทึบด้วยโมหะต่างหากนี่เรียกว่าเห็นโมหะผ่านความรู้สึกทางกายถ้าไม่มองผ่านกายจะมองจากสภาพของจิตโดยตรงก็ได้พอม่านหมอกโมหะเริ่มเคลื่อนมาปกคลุมจิตเราย่อมทราบชัดในทันทีก่อนจิตมืดมิดหมดทั้งดวงเหมือนกระจกใสยอยู่พอมีฝ้ามาเกาะก็เห็นง่ายและเช็ดล้างออกเสียทัน ซึ่งการเช็ดล้างทางจิตนั้นก็เพียงด้วยการรู้เท่าทันตัวรู้เท่าทันจะเหมือนสายลมเป่าเมฆหมอกให้สลายหายไปเองโดยทั่วไปเราจะเริ่มรู้สึกถึงจิตจริงๆเมื่อโมหะสลายตัวไปคล้ายคนตื่นนอนซึ่งนึกได้ว่าที่เพิ่งผ่านหายไปเป็นเพียงฝันการตื่นขึ้นในความจริงคือรู้ว่ากายใจนี้ไม่มีบุคคลไม่มีหญิงชาย ไม่มีเราเขามีแต่จิตที่ถูกกระตุ้นให้เกิดราคะโทสะโมหะไม่ขาดสายเท่านั้นพอราคะโทสะโมหะสลายไปแม้ชั่วครู่ก็จะเป็นชั่วขณะที่จิตเห็นว่าตนเป็นเพียงผู้รู้ผู้ไร้รูปผู้เป็นอิสระผู้ไม่หลงยึดนิมิตแห่งรูปนามใดๆสรู้ว่าจิตหดหูหรือฟุ้งซ่าน ความหดหูคืออาการซึมทื่อหรือห่อเหี่ยวไม่ชื่นบานมีความหยุดอยู่กับที่ชาเฉยกับที่อาการเหม่อลอยหรือขี้เกียจเคลื่อนไหวจัดเป็นความหดหูอย่างอ่อนส่วนความซึมเศร้าหมดอาลัยตายอยากสิ้นหวังในชีวิตนับเป็นความหดหูขนาดหนักความฟุ้งซ่านคืออาการที่จิตไม่สงบมีความพล่านไปสัดสายไป อาการคิดวกวนไม่เป็นเรื่องนับเป็นความฟุ้งซ่านอย่างอ่อนส่วนความตื่นเต้นหรือเครียดจัดนับเป็นความฟุ้งซ่านขนาดหนักทั้งความหดหูและความฟุ้งซ่านต่างเป็นสภาพจิตที่เอามาใช้การยากเพราะจับอะไรไม่ค่อยติดและภาวะหดหูกับภาวะฟุ้งซ่านก็เป็นภาวะที่ลากจูงกันมาเช่นถ้าปล่อยใจเหม่อลอยหรือแช่จมกับอารมณ์เบื่อสักพัก จะเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจและพอฟุ้งซ่านรำคาญใจจนเหนื่อยก็กลับอ่อนเพลียเหนื่อยนายไม่อยากคิดไม่อยากทำอะไรนอกจากจมอยู่กับความหดหู่ไปเรื่อยๆวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้สาหรับผู้ที่ผ่านการเจริญสติมาจนมีกำลังพอใช้พอนึกขึ้นได้ว่าจิตเริ่มซึมลงหรือกระเจิงไปก็จะเกิดสติรู้สึกตัว สภาพแย่ๆจะถูกตัดตอนทันทีกล่าวคือสติจะเปลี่ยนจิตจากหดหูเป็นสดชื่นขึ้นหรือเปลี่ยนจากฟุ้งซ่านเป็นสงบระงับลงสามารถกลับมาเจริญสติต่อได้แต่สำหรับผู้ที่กำลังสติยังอ่อนการจะมีสติรู้ทันความหดหูหรือความฟุ้งซ่านเพื่อให้หลุดออกมานั้นคงยากถ้าหดหูหนักต้องแก้ด้วยการเคลื่อนไหว ในแบบที่จะเกิดความกระตือหรือร้อนต่างๆเช่นเร่งความเพียนในการจงกรมหรือออกกำลังหนักๆให้ได้เงือ่อร่างกายจะกระชุ่มกระชวยขึ้นจนหลุดจากความหดหู่ได้ถ้าฟุ้งซ่านจัดก็ต้องแก้โดยการสร้างปัจจัยของความสงบต่างๆเช่นเข้าหาบรรยากาศวิเวกลากลมหายใจยาวๆผ่อนลมหายใจช้าๆ และหยุดหายใจนานเท่าที่ร่างกายต้องการระงับลมเป็นต้น 5. รู้ว่าจิตเป็นหรือไม่เป็นสมาธิสมาธิคือความสงบนิ่งไม่ฟุ้งซ่านและที่สำคัญคือนิ่งอย่างตื่นรู้ไม่ใช่นิ่งแบบหดหูซึมเศากล่าวแบบรวบรัดคือถ้าจิตมีอาการรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่กัดแกง ไม่แส้สายไปทางอื่นแม้เพียงชั่วขณะก็จัดเป็นสมาธิได้แล้วขอให้เข้าใจดีๆว่าสมาธิไม่ใช่การจงใจหยุดคิดไม่ใช่การพยายามบังคับให้นิ่งทื่อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่การฝืนใจเพ่งเล็งสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเมื่อทาการงานใดๆด้วยความจดจอ่อใจเราจะนิ่งและรับรู้สิ่งที่กาลังทาอย่างชัดเจน เหมือนหูตากว้างขวางกว่าปกตินั่นแหละคือความตั้งมั่นเป็นสมาธิขณะยังคิดอ่านทำงานได้ทว่าสมาธิแบบโลกโลกเช่นนั้นแค่ช่วยให้เรารู้เรื่องนอกตัวแต่ไม่รู้เรื่องกายใจตัวเองเลยแม้กระทั่งจิตเป็นสมาธิอยู่ก็ไม่รู้ว่าลักษณะของจิตเป็นอย่างไรทราบแค่เราอยู่ในภาวะพร้อมจะทางานเท่านั้นขอให้สังเกตว่า ขณะทำงานอย่างเป็นสมาธิใจเราจดจ่ออยู่กับงานก็จริงแต่จะไม่เพ่งเล็งจุดใดจุดหนึ่งคับแคบนั่นเป็นทำนองเดียวกับเมื่อจเจริญสติจนเกิดสมาธิใจเราจะตั้งรู้สบายๆเปิดกว้างไม่เจาะจงจุดใดจุดหนึ่งคับแคบเช่นกันการมีสติในข้อนี้เพียงแค่ให้จิตรู้ว่าตัวเองแน่นิ่งไม่แสบสายก็พออย่าให้กลายเป็นเพ่งบังคับ จะประคองความนิ่งไว้นานๆหลังจากเฝ้าสังเกตรู้ว่าขณะใดจิตเป็นสมาธิขณะใดจิตไม่เป็นสมาธิไปพักหนึ่งนอกจากเห็นความไม่เที่ยงของสมาธิจิตแล้วเราจะมีความฉลาดเกี่ยวกับจิตเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเช่นจะสังเกตเห็นว่าสมาธิมีหลายแบบแบบที่จิตแข็งกระด้างก็มีแบบนุ่มนวลสว่างสวัยก็มีแบบรู้คับแคบก็มี แบบรู้กว้างขวางก็มีแบบรู้สึกว่าจิตมีสิ่งห่อหุ้มก็มีแบบรู้สึกว่าจิตไม่มีสิ่งห่อหุ้มก็มีนอกจากนั้นเราจะพบได้ว่าความรู้สึกทางกายแตกต่างไปเรื่อยๆตามคุณภาพของจิตถ้าจิตยังเล็กแข็งกระด้างไม่ตั้งมั่นกายก็ปรากฏเป็นของใหญ่มีความหยาบรู้ได้ยากเหมือนภาพลมลุก แต่ถ้าจิตใหญ่ขึ้นตั้งมั่นเป็นปึกแผ่นนุ่มนวลอ่อนควรแก่การเจริญสติกายก็ปรากฏเป็นของเล็กดูง่ายเหมือนภาพใสนิ่งที่เต็มไปด้วยรายละเอียด 6. รู้ว่าจิตเป็นหรือไม่เป็นมหักะตะมหักะตะคือความตั้งมั่นเป็นหนึ่งของจิตอย่างน้อยต้องมีปีติสุขเอิบอาบซาบซ่าน เยือกเย็นวิเวกตั้งแต่หัวจดเท้าสว่างรุ่งเรืองออกมาจากภายในรัศมีจิตแผ่จ้าออกไปทุกทิศทางเสมอกันเป็นสภาวะจิตอีกแบบที่ต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากจิตสามัญที่นึกนึกคิดคิดอยู่นี้เมื่อจิตเป็นมหกะตะคุณจะรู้สึกถึงความสามารถในการแผ่ภายจิตเป็นวงกว้างซึ่งขอบเขตมีได้เป็นต่างๆดังเช่นที่พระอนุรเคยให้สังเกตว่า รัศมีของจิตจะกว้างหรือแคบก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการกําหนดใจแผ่ออกไปได้เป็นอนาบริเวณใกล้หรือไกลแค่ไหนอาจจะแค่ผนังห้องอาจจะครอบบ้านอาจจะครอบเมืองเรื่อยไปจนครอบแผ่นดินแผ่นฟ้าและไม่มีกําหนดประมาณคุณจะรู้ว่าจิตเป็นมหกะตะเมื่อตั้งมั่นเป็นหนึ่งและสามารถรู้ว่าความตั้งมั่นเป็นหนึ่งนั้น มีขอบเขตกว้างแค่ไหนกระทั่งเห็นชัดว่าความเป็นมหกตักก็ไม่เที่ยงตั้งมั่นแล้วกลับคลอนแคลนได้หรือแม้ขณะตั้งมั่นอยู่ก็มีขอบเขตรัศมีต่างๆกันไป7รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าความยิ่งหย่อนของจิตก็คือความต่างระหว่างจิตหยาบกับจิตประณีตนั่นเอง ระหว่างเส้นทางแห่งการเจริญสติย่อมมีจิตขึ้นและจิตตกเมื่อเคยจิตดีแล้วเปลี่ยนเป็นเสียก็รู้ได้ว่าภาวะจิตปัจจุบันเป็นของด้อยยังมีจิตที่เหนือกว่านี้หรือถ้าเจริญสติจนชำนาญรรู้ลักษณะจิตตนได้ราวกับตาเห็นรูปก็จะเริ่มมองจิตคนอื่นออกเห็นนิมิตลักษณะจิตของเขาเหมือนของเราเองตรงนั้น ก็าอาจเป็นโอกาสให้เทียบเคียงได้ว่าจิตที่ประนีตหรือหยาบ ก, กว่าเราเป็นอย่างไรในทางปฏิบัติแล้วนักเจริญสติย่อมรู้ว่าจิตตั้งมั่นเป็นอย่างไรจิตผ่องใสเป็นอย่างไรจิตเป็นอิสระจากอุปาทานห ย, ยาบหยาบเป็นอย่างไรจิตเป็นอิสระจากอุปาทานละเอียดละเอียดเป็นอย่างไรทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อให้ยึดมั่นแต่จิตดีๆว่าหน้ามีหน้าเอา แต่เพื่อให้เห็นความเสื่อมความเจริญและตระหนักว่าเรายังมีกิจต้องทำยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือไม่ตลอดจนละความประมาทว่าได้ดีแล้วไม่ต้องเจริญสติอีกแล้วด้วย 8. รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นความหลุดพ้นในที่นี้หมายเอาการพ้นจากกิเลสพ้นจากอุปาทานพ้นจากความไม่รู้ หากตามรู้สภาพจิตมาครบทุกข้อข้างต้นถึงจุดหนึ่งเราอาจเห็นกายนี้ตั้งอยู่ในท่าหนึ่งเห็นจิตนี้ปรากฏอยู่ในสภาพหนึ่งแล้วรู้แจ้งขึ้นมาว่าความรู้สึกในตัวตนนี้มีเพราะจิตยังไม่หลุดพ้นต่อเมื่อจเจริญสติจ น, จนจิตถอยห่างและกระทั่งถอนรากออกมาจากอาการยึดมั่นกายใจอย่างสิ้นเชิงนั่นเองจึงถึงความหลุดพ้นอย่างเด็ดขาด ปัจจุบันยังไปไม่ถึงก็เพราะกำลังยังไม่พอเท่านั้นผู้มีจิตเห็นจิตเป็นผู้ใกล้ต่อการหลุดพ้นเพราะจิตเป็นที่ตั้งสําคัญที่สุดของความรู้สึกในตัวตนเมื่อรู้สภาพจิตต่างๆจนเห็นความไม่เที่ยงของจิตก็เหมือนไม่เหลือที่ตั้งให้อุปาทานลงหลักปักรากอีกต่อไป